การปติศาของข้าพเจ้าเป็นงานเป็นเครืมที่ทให้เราตระหนักถึงคุณค่าของศาสนาเนงาที่เราถือกันมาตั้งแต่สมัยบรรพฤษเพราะว่าการศาสนาในศาสนาใดก็ตามหากไม่ทาพซึ้ในประวัติขอศาสนาขระศาสนาแหงเต็นถก็ีหรืไม่ทาบ้เข้าใจถึงยุทนาการของประวัติศาสตร์แห่งศาสนาที่เต็กถือก็ดี การที่เราจะถนัดหรือเป็นข้าในศาสนานั้นก็ยอมไม่สามารถเป็นเล็ดเป็นหน่วยได้โดยสิ้นเดียเพราะว่าปฏติศาสตรเป็นผลสะท้อนของการกระทําต่างๆของบุคคลซึ่งเกี่ยวพันกับปาญหานั้นๆข้อพิจารณ์มีอยู่ว่าปาสนาจะเจริญหรือเสื่อมนั้นขึ้นอยู่กับบุคคล เขาบอกศาตนาเป็นพินามาัธเมื่อเราเจรู้จักตัวขงศาสนาได้โดยแท้ถึงกอ็อในด้านธรรมปฏิบัติอันจปนเรื่องพินามัธแต่ในกา ร, รแสดงออกของปั ญ, ญลักษณ์แห้งสาสนานั้นแสดงออกที่วัตถุแล ะ, ะแสดงออกที่บุคคลอาศัยบุคคลในลวัตถุนั้นเป็นปั ญ, ญลักษณ์เครื่องหมายของความเจริญหรือความส่วนแห่งศาสนาเพราะฉะนั้นประวัติของศาสนาแต่ละปาสานา ความสำคัญเกี่ยวโยงกับความเจริญและความเติมของศาสนานั้นๆทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตและจะพ้อย่างยิ่งพุทศาสนาของเราถือไปเป็นปากว่ามีประวัติทางศาสนามาพุทธศาวรรษนี้กว่าศาสนาใดในโลกเพราะเหตุที่ว่ายกศาสนาความเสมียพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดยิด่งกว่าศาสนาใหญ่ๆในโลกทั่วไปเพราะฉะนั้นก่อนอืน่นก็ะผมก็อยากจาน การเรียนมูงฐานคือทั่วไปที่การศึกษาประวัติศาสตร์พทธศาสนาไว้เป็นขั้นต้นใช่ไก่อนคือต้องทำความเข้าใจเป็นขั้นแรกใช่ไก่อนว่าทุกวันนี้น่ะการศึกษาประวัติศาสต์พุทธศาสนาของเราเนี่ยได้เป็นเป็นที่ประการใดถ้าเราจะมองย้อนหลังไปในอดีตถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่มีความ ร, รู้ทางประวัติของพุทธศาสนามาบ้างแล้ว เห็นได้ว่าพุทธศาสนาไม่เพียงเพียงแต่เป็นศาสนาที่กําจายในภาคอุรภาพิษเท่านั้นและอดีตป็นศาสนาที่เไ็้แค่หลายทั่วไปแม้ในยุโรปพุทธศาสนาก็ได้ประดิษฐานมาแล้วเมื่อหลังพุทธปฏิญญาพานแล้ว347ฝรัร่งชาติแรกที่นับถือพุศาสนาคือฝรั่งชาติกรีกชาคิกรีกเป็นฝรั่งคาตแรกที่นับถือพุทธศาสนาเมื่อสมัยที่ได้ปฏิญญาแล้ ว, ว347 0ที่ว่าอย่างนี้นะเพราะว่ามีหลักฐานในทางดาลาจารและจดหมายเหตุ เพราะว่าอูแห่งอารยธรรมของโลกมีอยู่สามอูด้วยกันอูแรกคืออูที่เรียกันว่าลุ่กแม่น้ําเมโสในลูกแม่น้ําอยู่ติสกับไซคลิสในริมแดนที่เรียกว่าเมโสโตตามเียในเอเชีน้อยอูหนึ่งอีกอูหนึ่งก็ลูกแม่น้ําคงคาแต่แม่น้ําสินธุในอินเดียอูหนึ่งอีอูนึ่งก็ได้แต่ลูกแม่น้ําเหนือแต่แม่น้ำแยงตีเซียงในจีนอูหนึ่งอูแหางอารยธรรมตก่าแก่ของโกมีอยู่สมอูเท่านั้น แต่ว่าอูที่ยังรักษาคันลรงนี้ส่วนสัตว์แห่งอารยธรรมนั้นนั้นติดเนื่องเป็นพันธุ์ติมาได้ติดจนกาลาปัจจุบันก็เหลือเพียงสองอูเท่า น, นั้นคืออูทีนกับตูอินเดียอา่าเสียงอูทั้งลุ่มแม่น้ำอยู่เป็นติด ก, กัไปคริสา น, นได้แสดงออกในรูปของอารยธรรมของชาติอักเรียนเปนเซียนแล้วก็มาเป็นชาติจีนบาบิโรนและข้ามไปเป็นกรีกกับโรมันนี่เป็นอูอารยธรรมในภาคื้นตะวันตกทั้งสามอูนั้น มีลีลาและยฒนาการทางความเจริญทั้งอาริยธรรมและวัตถุธรรมผิดแปกแตกต่างกันเรายกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าโออินเดียโ อ, อินเดียในสมัยนั้นอินเดียเป็นดินแดนท้องน่าปราดคนาดการใหญ่ซึ่งเราเป็นเป็นพิศดารีอยู่แล้วแต่ในขณะที่โลกส่วนอืน่นยังมืดมนด้วยอวิชชายังมืดมนหรือด้วยความเป็นอนารยะอย่างเช่นว่าพวกเยอรมันโบราณยังไม่มุ่งหนังตัด ในเกาะอังกฤ ษ, กอกฤษเองเนี่ยเป็นคนป่าคนดอยอยู่นั่นแต่ว่าชาวอินเดียในประเทศอินเดียได้บรรลุถึงอารยธรรมสูงสุดแล้วไม่ว่าในทางก่อสร้างหรือในทางลัทธิปรัชญาแมะแต่ทางํ า, างสั่งสอนในทางศาสนาไม่มีชาติใดในโลกเลยที่จะผิดผลทางปัญญาได้มากเท่าชนชาวอินเดียในสมยนัยเมื่อ 2,000 ปีเศษผลออกมาอันนี้เราก้ายืนยันได้ เพรว่าแม้แต่นักปราดกรีเองก็ยังยอมรับความคิดอ่านของนักปราดอินเดียไปดัดแปลงเป็นปราดทยากสูงขึ้นหรือแม้กระทั่งนักปราดจีนเองก็เลยรับอิทธิพลจากความคิดของนักปราดอินเดียอย่างมหาศาลยกตัวอย่างเช่นพุทธศาสนานีก็พอจีนเป็นภาติที่มีอารยธรรมเก่าแก่มาตั้งห้าพันปีแล้วก็เป็นภาตที่มีความเยือยยิน ท, นทรมนุภาพคลุมในมรดกทางวัฒนธรรมทั้งตัวว่าตัวไม่ได้ไปลอกแบบลอกกาขมาจากใครเออคนนักปราดว่าจะบัณฑิตเป็นคงชื่อเล่าชี่อนี่ชื่ อ, อ, อเป็นทันมาก แต่คังๆ ท, ที่จีตามลังรพลนองอยู่อย่างนี้จีก็ ย, ยังยอมสยบยอมแพ้ต่อบารมีของสหัสเสดเจ้าคือยอมรับคำสังส่งของคุตศาสนาเอาไว้แล้วก็ยอมรับว่าคําสังส่งของคุตศาสนาเนี่ยเหนือกว่าคําสอนของขงจื๊อเหลาจืหรือมีจจ อ, อันเป็นปรัชญาเมตียเรียงนามของจีนที่ตามไอันนี้เป็นเหตุให้ก่อเกิดลาชภัมหายานในประเทศจนีนและก็แพร่ไปในญี่ปุ่นเพราะอิทธิพลของคุตศาสนาเข้าไป เพราะเหตุนั้นเมื่อเราดูความยุัฒนาการของพุทธศาสนาในอดีตรเราก็มีทั้งความตื่นตาตื่นใจในขณะเดียวกันเมื่อเทียบเทียงกับภาวะปัจจุบันเราก็ได้รับแต่ความสังเวชประหลดใจเมคนกันเพราะนักประวัติศาสตร์เน่ยจะต้องมองไกลคือมองย้อนอดีตแล้วก็เพื่งปัจจุบันแล้วก็พยายามมองไกลออกไปถึงอนาคตจึงเป็นลักษณะที่เป็นนักประวัะะติศาสตร์ที่แท้ได้นักประวัติศาสตร์คนใด ที่ไม่มีอาติมตังสยานคือพยายามคูนลึกความเก่าแก่ในอดีตแล้วก็ไม่มีปัจจุบั น, นยานความที่จะแทงทะลุต่อภาวะการในปัจจุบันหรือมีอนาคตังสยานที่จะแทงทะลุเหตุการณ์อนาคตนักประวัติศาสตร์ผู้นั้นอ่ะยังขาดคุณสมบัติของความเป็นนักประวัติศาสตร์เพราะเหตุนั้นตามที่เรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาที่ว่าเมื่อเรียนรู้แล้ว มีทั้งเบสที่ทําให้เราเกิดความที่นิต้นาคภูมิใจแล้วก็เกิดความสุขสันต์เวทใจน่ะที่ว่าอย่างนี้นะ่ะเขาเหตุอะไรอ่าแต่ผมก็อยากจะยกตัวอย่างครับคือว่าในอดีตน่ะในสมัยพุทการคําสั่งสอนของพระพุทธองคอง์น่ะแพ่หลายเพียงส่วนสัตว์ขอบเขตเฉพาะในมัตยมประเภทเคือตอนเนือตั้งแต่เชือกภูเขาวินงไทยขึ้นไปแล้วก็อย่างเนือสุดก็แพร่แค่หลายไปแค่แคร่จีรุษจรุษส่งเป็นอาณาจักรหนึ่งในแค้แคนปัญจาละในลูกแม่นม้ําสิงห์ผู้ตอนใต้ คำสำพิจิรเจ้าแพร่หลายเฉพาะในดินแดนอันนี่เท่านั้นเองที่เฉพาะในครธธนนั้งพุทธกราลเมนขอกวานั้นออกไปก็ถือว่าเป็นปัจจันตรชนบทซึ่งอารยาันพัฒนธรรมของผูอารยันยังไม่แพร่หลายไปถึงแต่พอนามาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพุทธศตาชนาไม่ได้จำกัดขอบเขตอย่างสมัยพุทธกาลอีกแล้วดิอาศัย อารมเดชานภาพของจกักรพรรดิอินเดียองค์นี้ประกอบกับทั้งการอํานานอย่างแข็งขันของพระเทระในครั้งนั้นอันมีพระโมคคิริบุตรติดพระเอก า, าเป็นประธานได้จัดส่งคณะธรรมทูตออกไปถึงเก้าสายในการเียจะนำพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ไปประดิษฐานไว้ตามสีสาหมิทิษยปรากฏว่าคณะธรรมทูตสายหนึ่งได้นําคําสอนของพระพุทธองค์ไปประดิษฐานไว้ในประเทศกรีกชาวกกเวลานั้นนมีความสัมพันธ์กับชาวอินเดียแล้ว พระอนเดียรู้จักพวกกรีกในคําว่าโยลตะหรือยะวนะเช่นว่าพระนามของกษัตริยกรีกหลายพระองค์อันเป็นพวกแม่ทัพนายกองของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชที่มาตีเอเชียเมื่ออเล็กซานเดอร์กลับไปก็แต่งตั้งแม่ทัพนายกองผู้ขุนพลของพระองค์ให้เป็นพระราชาครอบครองดินแดนที่พระองค์ตีได้ไมีอาณาจักรบากรียาในลุบเมน้าอามูดาเรียในตรสิสฐาน แล้วก็อนาจากตาบุญในอัคกานิสถานแล้วกับประเทศเรียปัจจุบันนี้รวมทั้งประเทศอีหิปต์และมีเมืองอะเบ็กซานเรียเป็นเมืองหลวงด้วยจักรพรรเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับราชวงศ์โมดิยะที่ปกครองมหคตอยู่ในเวลานั้นเช่นเริ่มตั้งแต่พระเจ้าจันทรคุปพระเจ้าจันทรคุปพระเจ้าพิมพุสาระและพระเจ้าอาโศกทั้ง3พระองค์ได้มีราชไมตรีอันสนิทสนมุมกับบรรดาจักรพรริฝรั่งทั้งหลายในดินแดนเอเชีย รวมทั้งกษัตรฝรั่งแท้ๆในดินแดนยุโรปคือในประเทศกรีซเองมีอนาจักรมาซิโรเนียเป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าการถ่ายทอดความคิดความเห็นตลอดจนกระทั่งสายสัมพันธ์ในทางอารยธรรมวัฒนธรรมจะมีต่อกันระหว่างชนชาติโบราณทั้งสองชนชาตินี้เพราะฉะนั้นมาในสมัยพระเจ้อาอโยธมหาราชเมื่อพระองค์ได้เริ่มงานธรรมทูตยอย่างแข็งขันจริงจังคืองนานธรรมทูตนั้นได้หยุดชะงักไปช่วระยะ ป, ประมาณร้อยปีเศษหลังจากพระเจ้าหลีพาน แล้วก็เริ่มีการขื้นฟงกันใหม่ด้วยการเล็งเห็นการตายของพระโมคคิริบุตรสัทเธอรเจ้าพระโมคคิริบุตรสัทเธอรเจ้าน่ะท่านเป็นพระอารหันต์ที่มีอภิญญาแล้วท่านได้ใช้อนาคตังสยานเล็งการตายเห็นว่าพุทธศาสนาจะไม่สามารถประดิษฐานมั่นคงในชมพูทวีตได้เพราะอะไรเพราะว่าคนในชมพูทวีตน่ะที่จะเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาน่ะเป็นเพียงพวกชนชั้นปัญญาชนเท่านั้นเองแต่พลเมืองส่นใดไม่ใช่ปัญญาชน เป็นพวกที่ว่าชอบกราบไหว้สีวลึงคบ้างชอบอาบไปน้ํำคงคาล้างบาปบ้างพวกเหล่านี้นะแม้กระทั่งงูเหี้มหมีห ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มาตระเข้ก็กราบไหว้เป็นพระเจ้าเป็นพวกที่บูชาเป็นปาสนาแบบที่ว่าพระภูเทวะนิยมเป็นผู้กที่นับถือวัชย์อินทยานนิยมบูชาผีต่างนางไม้ต่างๆเพราะฉะนั้นคําสั่งสอนของพระพุทธองค์อันแสนจะผู้ขุนัรนณีตและเป็นไม่ได้เหตุผลนั้นจึงไม่เป็นที่อภิรม์ของพวกที่ไม่ใช่ปัญญาชน บรรดาคนเท่านั้นที่จะตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธธรรมพระโมคคิรบุตรติดตาเล็งเห็นเช่นนี้นแล้วจึงไม่รอช้าที่จะถือถวายพระพุทธเจ้าโสเล่งให้ความอุปถัมป์ในการประดิษฐานพุทธศาสนาไว้ในที่สาธารณะเพราะเกรงว่าวันหนึ่งเมื่อพุทธศาสนาอันตราฐานจะจากอินเดียแล้วถ้าหากว่าพุทธศาสนายังอยู่ในต่างแดนก็เท่ากับว่าพระทีด่ดวงนี้ยังไม่ดับยังมีเชื่อเหลือไว้ในประเทศต่างๆ แม้ประเทศเมืองแม่จะดับไปแต่ประเทศอื่นๆก็ยังเหลือชื่อเอาไว้สืบสายเอาไว้ได้ข้อนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงของประวัติศาสตร์เพราะเหตุการณ์นั้นต่อมาอีกพันปีให้หลังพุทธศาสนาก็ถูกกวัดล้างกจากอิ น, นเดยียโดยสิ้เนเชิงจริงๆแล้วก็เป็นการเคาะดีที่ว่าพระเจ้ า, าโศกไปทันเลยเริ่มงานธรรมทูดเอาไว้เพราะฉะนั้นเราจึงนับถือพุทธศาสนาเปนอยู่เมื่ิฉะนั้นแล้วพุทธศาสนาก็จะเป็นเพียงแต่ตรัดทายาทิ้งหนึ่งของชาวตะวันออกไม่ใช่ศาสนาแล้วก็ไม่มีสาวชนิกชนไม่มีคุณบริษัทไปได้ในโลก อันนี้เราจะเห็นว่าการเล็งเห็นการกลายของสมุทรคลีบุตรติดตัดโดยพระเจ้าองค์นี้นะ่ะได้ทําคุณประโยชน์เป็นบุญคุณต่อชาวพุทธอย่างมหาศาลเพียงไรพร้อมกับพระมเดชาลาูกพระคุณจาอโศกเนี่ยได้ช่วยให้อายุของพุทธศาสนานี้ยั่งยืนสื้มาได้ตั้ง25งพันีเศษอันนี้ถ้าเราไม่รู้ข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์แล้วเราก็ยังไม่ทราบว่าพุทธศาสนานเราเนี่ยได้รับอันตรายอย่างไรบ้างและอันตรายที่จะมาทำร้ายต่อพุทธศาสนามีอะไรบ้าง พระเจ้าโสกได้นำพุทธศาสนาไปปรเผยแพานในประเทศอาร์เบียประเทศซีเรียประเทศอียิปต์เมืองอาริสนเดียว่าข้ามไปมาซิโดเนียในประเทศกรีซปรากฏว่าพระอาหารหันต์ฝรั่งรูปแรกชื่อว่าโยนาตาธรรมรักษิตะโยนั่นทธรรมรักษิตานี่เป็นฝรั่งชาวกรีคนแรกที่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในสมัยพระเจ้าโสกและท่านผูนี้ไม่เป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ได้มาลับอาสาลักนา น, นาเผยแผ่พุทธศาสนาจากพระเจ้าโสก ทำหนาที่เป็นธรรมพูดนําพุทธศาสนาไปแพร่หลายในประเทศอินเดียไม่ได้กลับไปเมืองแม่ของท่านกลับมาทํางานในในอินเดียภาอาหารองค์นี้ปรากฏว่า อ, อ ท, ท, ท, ที่พูดของพุทธศาสนาที่แพร่หลายประเทศอังกฤษนั้นแตกต่างไปกับลักษณะที่พุทธศาสนาแพร่หลายมาทางแถบเอเีอาเซยนอย่างดิ้นคือแตกต่างกันอย่างไรประเทศต่างๆในดินแดนเอเีอาเซยนนั้นเห็นหน้าคือมือออกทางวัฒนธรรมของอินเดีย ว่าเมื่อก่อนพุทธกาลมีชาวอินเดียเดินทางมาค้าขายมาตั้งโคโล و ن ในแหลมอินโดจีนในหมู่เกาะอินโดนีเซียกันมากมายแล้วชาวอินเดียรู้จักดินแดนเหล่านี้ว่าเป็นดินแดนเครื่องเทศเป็นดินแดนทองซึ่งมีพวกอินเดียพวกพ่อค้ามาค้าทองมาค้าสินค้าเครื่องเทศต่างๆและดินแดนเหล่านี้เพราะฉะนั้นการที่ชาวอินเดียหรือพัฒนาบริษัทชาวอินเดียจะนําพุทธศาสนามาตั่งสอนกับ ประชาชนในแถบถิ่นเหล่านี้จึงเป็นกลัง้วยมากเพราะว่าประชาชนในแถบถิ่นเหล่านี้นะ่ะพร้อมแล้วที่จะรับเพราะฉะนั้นสังคมมลทินจึงได้ตั้งขึ้นอย่างรวดเร็วในดินแดนเหล่านี้ตรงกันข้ามกับในยุเรีวัฒนธรรมของยูเรีกับเอเชียนะ่ะแต่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงในว่าในทางคณิตจิตใจหรือว่าระบบคำเรียนประเทณีต่างๆแต่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นคณะธรรมะทูตงพระเอาตัวที่ส่งไปในประเทศกรีหรือในแอฟริกาเหนือมีอียิปต์เป็นต้น ไม่ใช่พระสงฆแต่เป็นคขันธ์เรียกว่าธรรมะมหาอา ม, มาอ ร, รรมะมหาอา ม, มาเป็นคขันธ์เรียกว่าธรรมะมหาอา ม, มาเป็นอนุสาสน า, าจารย์นั่นเองเป็นผู้สง่งปัจเมื่อธรรมะมหาอามาเหล่านี้นไปประกาศพุทธธรรมในดินแดนเหล่านี้ไม่มีการตั้งสังฆมณคนขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเหล่านี้สิ้นชีวิตไปแล้วสังฆมณนลหรือสถาบันของพุทธศาสนาก็ไม่สามารถจะฝังรากลงได้ในดินแดนอัาเบงประเทศ แต่ว่าเอกภพ ค, คำสอนของพุทธศาสนานั้นมีแท้เต็อยู่ในความคิดอ่านของบรรดาปรัชญาเมตสิกรยกตัวอย่างเช่นลัทธิ โ, ตโตอิุยซัมลัทธิโสตุยซัมนั้นอะ่ะเกิดขึ้นโดยนักตราตรีคนหนึ่งที่ว่าเซโนโเป็นคนตั้งขึ้นเซโนได้เอาคำสั่งสอนในพุทธศาสนาไปคุกเข้าไปดัดแปลงคือว่าคำสอนในลัทธิโสตุยน่ะปฏิเสธเรื่องก๊อตไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าสร้างโลกแต่เชื่อเรื่องกฎของกรรมสอนเรื่องอนิจัง อันนี้จังวิชิติว่าชิลิศนี่ไม่เป็นของไม่ใช่ อ, อย่างโล่ก็ไมนทีรงังรถสักอำนาจวาสนาจะไม่ไม่ทีรังทั้งนั้นจะไปเอาจชิลจังในยมในยายถ้าสิ่งเหล่านี้น่ะก็ล้วนแต่จะล้วนจังทุกใจให้เกิดกับตัวถ้าใครรู้เท่าทันจางไม่ชิงจังของรถสักอำนาจวาสนาว่าเป็นของโลเลเหมือนลมซึ่งคัดมากระจายแล้วคนคนนั้นก็สามารถวางใจให้มันคงเป็นอุเบกขาไม่หวั่นไหวได้สุด ท, ทุกเสือมราบได้ราบเสื่อมยศไดยศ ด, ด่าคำสอนพระพิสดุจสอนอย่างนี้ ซึ่งในรับอิทธิพลจากคําสอนพุทธศาสนาไปโดยตรงแต่ว่าไม่ออกนามตรงๆว่าพุทธศาสนาเพราะว่าไม่มีพระสงฆ์เมื่อไม่มีพระสงฆ์การที่จะตั้งสถาบันก็ไม่มีขึ้นเมื่อไม่มีการตั้งสถาบันคําสอนของพุทธศาสนาจึงกลายเป็นเฮียงปรัชญาในตะวันตกซึ่งบรรดานักปรัชญาเมตีในตะวันตกนั้นเอาไปดัดแปลงเป็นปรัชญาของตัวเองขึ้นมาอันนี้หลยไม่เกิดขึ้นใ น, ใ น, ใ น, ใ น, ในประเทศจีนลประเทศตุรกีแล้วเพราะฉะนั้น เมื่อพระเจ้อาอโยคได้เริ่มต้งนงานธรรมทูตก็ปรากฏว่าแสงสว่างของพุทธธรรมนั้นมีอยู่ทุกมุมโลกตั้งแต่อเริกาเหนือเลื่อยมากระทั่งถึงไต้หวันเลื่อยมากระทั่งถึงหมู่เกาะอินโดนีเซียประเทศต่างๆส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นประเทศมุสลิมไปแต่ว่าในอดีตนานๆทั้ทงหลายโปรดทราบไว้ว่าประเทศอินโดนีเซียนั้นในอดีตก็คือประเทศพุทธศาสนาชาวเมืองเป็นพุทธทั้งนั้นอาเซอร์ีสถานก็เป็นพุทธศาสนาเป็นพุทธนมดประเทศเหล่านี้เริ่มแต่เป็นพุธนทบบพธ เพรานั้นจึงจะพูดได้ว่าพุทธศาสนานั้นนะได้ครองโลกไปตัง้งคืนครองโลกแล้วในสมัยพระเจ้าโศกแค่หลายไปทั่วทุกหนแห่งรวมทั้งสหริตินด้วยก็เป็นประเทศนับถือพุทธศาสนามาในอดีตที่อํานาจของจักรอิทธิพลของจั ก, กรวรรดิหริทัยราชวงศ์ไต้เวีทระที่ปกครองครอบครองดินแดนหมูเกาะอินโดนีเซียอยู่เมื่อพันกว่าปีมาแล้วแต่อะไรเป็นเหตุให้ประเทศนับถือพุทธศาสนาเหล่านี้ย่อยยับอับปางพุทธศาสนาในประเทศเหล่านี้อับปางกระจายประเทศทั้งประเทศ ภูมิใจของคนต่างด้าวต่างาศาสนาเข้ามารลุปลามอะไรเป็นเหตุอันนี้แหละครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องสนใจให้มากถ้าเราไม่สนใจแล้วอันตรายแค่ไหนทวาวันหนึ่งจะต้องเกิดกับประเทศไทยเราในวันนี้ถ้าเรามัวแต่ประมาดไม่เป็นไเรเมืองเราเป็นเมืองพระยังไงพระก็คุ้มไม่คงจะไม่เป็นไรน่ะวามประมาทอย่างนี้ผิดหลักพุทธวจนะเราจะไปภาคภูม อ, อย่างนี้ไม่ได้อันตรายของาศาสนาพนุทธนาบีเข้นมาทิพุทธลัทรอบดเวลานี้ ในอดีตประเทศที่เป็นคุดเหล่านี้ถูกทําลายไปได้คุดศาสนาในประเทศเหล่านี้ถูกทําลายไปได้ฉันใดประวัติศาสตร์ย่อมซ้ํารอยตัวเหมือนเองเสมอฉันนั้นเมื่อในประเทศเหล่านี้ถูกทํารได้อินเดียเป็นมาตุภูมิของคุดแท้ๆยังพุดศาสนายังถูกถอมรากถองโคนไม่เหลือไม่เหลือในอินเดียจะกลัวกาปายกับประเทศอื่นๆซึ่งเป็นประเทศที่รับมาจากอินเดียอีกทีหนึทำไมพุดศาสนาจะถูกถอนรากของโคนเล้ด่าอันนี้แหละครับ เราเมืองรู้ประวติศาสตร์แล้วเราก็ยังตู่ีงประมาทขนาดแหละบอกไม่เป็นไรเมืองเราเมืองพราเมืองเราเมืองพรากท่เบตก็เช็นเมืองพระยิ่งกว่าเราแล้วที่เบต่ะรัฐบาลเป็นพ้าน่ะฝันข้าวบานเป็นพระท่านเรีนนปกครองอ่ะไม่ยิ่งกว่าเราหรอทำไมเวลาเวลาไมเป็นไบ้างที่เบตนี่เราคิดอย่างนี้ก็พอมันก็มีเมืองพ้ายิ่งกว่าเราอีกหายใจเป็นพ้ามาทั้งวันรัฐมนตรีเป็นพ้าทางนั่นใช่ไหมประเทศที่เบตเนี่ยนี่ยิ่งกว่าเราเลยนี่แหละครับที่เราจะต้องประมาทไม่ได้าะเหการณ์นี้อะไรเป็นเหตุที่ทิศศาสนาเสื่อมไปจากประเทศต่าง รวมทั้งในอินเดียด้วยอะไรเป็นเหตุอันนี้แหละครับเป็นปัญหาอย่างที่เราต้องตีให้แตกเมื่อเราตีให้แตกแล้วเราก็ต้องช่วยกันระวังอย่าให้ประวัติศาสตร์ซึ่งเกิดจากประเทศทุกเหล่านั้นอ่ะมาเกิดกับเมืองเราได้อีกนี่ยอคอนเราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาที่แพร่หลายประธานประเทศต่างๆซึ่งเวลานี้ไม่นเป็นประเทศพุกขแล้วอาประเทศเรานี่ในอดีตอ่ะเราทราบได้จากสิลาจารึกบ้าง ทราบได้จากจดหมายเหตุของนักท่องเที่ยวนักผู้เดิมในครั้งนั้นบ้างแบบกว่ละเอียดละออยอายกตัวอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างนะครับาเช่นประเทศเปร์เซียสถานเปอร์เซียใครๆก็รู้ว่าเป็นประเทศมุสลิมเลอรอย่างเวลาเนี้ยใครๆก็รู้าเป็นประเทศมุสลิมแต่ว่าจดหมายเหตุของนักจาริกชาวจีนซึ่งเดินทางไปไหว้พระในอินเดียเมื่อพศ2200ในปีพศ2200เศษท่านเดินท่านออกเดินทางจากนครหลวงจีนแล้วก็ผ่านทะเลทายโกบี เข้าตัดเข้ามาในทะเลตายตั ก, กราลมากานในตะลุกิสถานของจีนออกจากตรลคกิสถานของจีนก็ข้ามที่ราบสูงตามีเข้าตรลคิสานขอโซเวียตปัจจุบันนี้จึงได้จจริมแดน ล, ลุ่มแม่น้ำอามูดาเรียท่านลำคัญว่าทุกคนทุกแห่งที่ท่านผ่านไปเจแต่วัดในพุทธศาสนาเป็นจนวนพันทันทุกคนทุกแห่งประชาชนเป็นพุทธมามกะที่แข็งขับ รัฐทุจริตนะที่รัฐถึงก็มีข้างมหายานกับอ่าจีนายานรัฐถือฆ่าเข้าฆ่ากันไปประเทศเหล่านี้รัฐบาลประชาชนล้วนแต่เป็นชาวผู้ติดเคร่งครัดถึงวันมีสาขาก็มีหยุดงานประจำตืีมีการแหร่พระถ้าเป็นประเทศที่มีแม่น้ําก็มีการแหร่พระทางน้ำถ้าเป็นประเทศที่อยู่เป็นที่ดอนก็มีการแหร่พระทางบกเป็นการเอกร์เกิดในทุกคนทุกแห่งมีการศึกษาทุจริตนะอย่างดีที่สุทุกคนทุกแห่งท่านลำพันธ์ว่าขท่านว่าอย่างนั้น ในคาบสมุทอินโดนีเซียหมู่เกาะอินโดนีเซียซึ่งประกอบด้วยเกยาะใหญ่เกาะน้อยรวมหมดตั้งสามพันเกาะซึ่งปัจจุบันนี้น่ะเป็นผู้สูงลีบทล้วตั้งร้อยกว่าล้านแต่เมื่อก่อนสมัยสุขโขทยเล็กน้อยเอาอินโดนีเซียทั้งหมดเป็นทุกทั้งนั้นเป็นลักษณะทุกข์าสาสนิคนทั้งนั้น <S <S จากโบราณสถานในทวาก็ดีในสมมาตราก็ดีเป็นขยานที่บอกเป็นว่าในในทวากลาง มีโบราณสถานที่สร้างโดยสีลาใหญ่มาฮือมาเราก็จะเย้ละครวัดของขมิโบราณสถานอันนั้นคือพระเจดีย์ที่เรียกกันว่าบุโรบุดอบุโรบุดอเป็นพระเจดีย์ใหญ่สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักขึ้นไปเป็นชั้นๆภาพที่สลักนั้นเป็นภาพทุกขตวรติเป็นภาพหนึ่งทาดกเกี่ยเหยนนันนอนทาดกหรือทีวามือหะตะโคทิสัต์ทาดกสลักเอาไว้แล้วก็เป็นพระเจดีย์มีพระพุทธรูปนอกจากนี้ก็มีพระเจดีย์ที่เรีว่าเจดีย์กาลาสันเจดีย์กาลาสัน แล้วก็เ JD จดีปต้วนนี่เจดีมณน์กันดีในสิเมืองศรีหาตารีนี่ที่สุมาต ร, ราที่ปาเล็มบังก็งมีซากโบราณสถานในพุทธศาสนาแล้วก็ในเกาะเซเลเบสก็สมีโบราณสถานในพุทธศาสนารวมทั้งพระพุทธปฏิมาและปัจจุบุธรรมาราวีก็มีคนขุดพบในกเกาะเซเลเบส ไกลที่สุดแม้ในหมู่เกาะมินดาเนาในหมู่เกาะฟิลิปปินส์เกาะมินดาเนาในหมู่เกาะฟิลิปปินส์เองแต่มีที่ค้นพบว่าโบราสถานของพุทธศาสนาอยู่ที่นั่นพร้อมกับศิลาจารึกเป็นภาษาขนสกฤตกล่าวถึงการเผยแพร่พุทธศาสนาของที่สุขาวอินเดียในครั้งพันศตปีมาแล้วอยู่ในหมู่เกาะมินดาเนาในประเทศฟิลิปปินส์อันนี้เป็นปฏดทียานว่าชอินโดนีเซียเมื่อตอนสมัยสุโขทัยล้วนแต่เป็นพุทธศาสนิกชน แต่หลังจากนั้นเล็กน้อยก็มีภัยมหึมาอันหนึ่งมาสวาดล้างพุทธศาสนาให้ถอลาภถอนโหมดจากประเทศเหล่านี้เป็นภัยที่มาอย่างหยุดหุกแคม์อย่างที่ชาวพุทธตั้งโตไม่ติดอะไรเป็นเหตุให้ชาวพุทธในประเทศเหล่านี้ทั้งๆที่นับถือพุทธศาสนาเป็นพันๆศตีแล้วที่พุทธศาสนาไปยอมเข้ารีดเป็นชาวศาสนาอื่นอะไรเป็นมูลเหตุครับอันนี้เราขอตั้งต้นที่อินเดียก่อนเพราะอินเดียนี่เป็นแม่แบบในการทิ้พุทธศาสนา ตาต่างๆของเชียอินเดียก่อนอ่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าการที่พระโกงเล็ตประดิษฐานพุทธศาส น, นาขึ้นในอินเดียนั่นน่ะเป็นภัยชนะอย่างใหญ่หลวงแต่โวกรามและพวกขามบางส่วนไม่พอใจเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมรับฐานะของเวะคําสอนในพุทธศาสนาหนะ้าพวกาเรียกพุทธศาสนาว่าเป็นทัวกอาไวริกาเอาไวริกาแปลว่าพวกไม่นับถือทเวะพวกไม่นับถือทเวะ ส่วนศาสนาที่เป็นเครือในาศาสน า, าพราหมณ์เลยวะไวยทิกะไวยทิกะปรัชญาคือาศาสนาที่รับสืบพระเวสเป็นหลักฐานาศาสนาที่รับสืบพระเวสเป็นหลักฐานน่ะแบ่งออกเป็น6กสาขาด้วยกันเป็นลทัลทธิหลือลัทธิทั้งหกมีเวดานตา์สังขยะไนยายะโยคยาไสยสิกาแล้วก็มีมารสาหกลัทธิด้าาวยกันหลัทธิี้เนี่ยล้วนรับรองฐานะของพระเวสถรือว่าพระเวสน่ะเป็นคําของพระพรหม เป็นสรุปสิฟังมาจากเทวดาผู้ฤๅษีแต่เก่าก่อนฟังรับช่วงมาจากพระทธ ม, มาฤๅษีเหล่านี้ก็ฤๅษีเจ็ดตนที่มีชื่อนั่นแหละคือว่าฤๅษีจะมะสักขีบ้างอังคีระสะบ้างตัดสะบ้างพระครูบ้างอารัธวายพระบ้างพวกนี้รับถ่ายทอดมาจากพระพุเป็นสรุปสิแตมหอมาในสมัยพุทธกาลได้มีขบวนการเกิดขึ้นมาอีขบวนการหนึ่งเรีวยกว่าขบวนการสมณนะแตกต่างกับพรามเพราะนั้นคำว่าสมณนะพรามสมณนะพรามน่ะเป็นการขี้ขาที่เห็นว่า ขบวนการนักบวชของขบวนการนี้นะ่ะแตกต่างกันอย่างเด็ดขาดมีคําพังเพยว่าสมณะกระพรามน่ะเปรียบเหมือนงูเห่ากับพังพอนเข้าไม่ได้หรอกสมณะกระพรัมณน่ะเหมือนงเห่ากับพังพอนคือพรานน่ะพยายามที่จะสอนและที่ศาสนาที่จอะอคุ้มกันกับพิษในวันณะของตัวถือว่าวันน้าของตัวเป็นยอดสูงสุดวรรณะอื่นๆน่ะมราต้องเชื่อฟ่าวันน้ของตัว แต่พวกสมณ ะ, ะไม่ยอมรับอภิสิทธิ์ของพามพระจะว่าไงก็ว่าไปแต่พวกสมณะไม่ยอมรับพวกสมนะพวกนี้แหละเป็นนักคิดอิสระที่ยกาสลัดออกจากแอดของทะเวทอิทธิชนของพะเวศพยายามออกมาค้นหาความจริงในทางปรชัชญาคุกหาความจริงในปัญหาของชีวิตต่างๆแล้วเมื่อพบความจริงเข้าก็มาสั่งสอนเป็นลูกของศาสนาบ้างลูกของปรัชญาบ้างมีเชคตริภาชกบ้างพวกมีโคลนบ้างพวกอาชีบากาบบ้าง รวมทั้งพุทธศาส์นาคือภิกษุนักบวชในพุทธศาสนที่ดีที่สุดของเราก็รวมอยู่ในพวกสมณะนี้อาชีว์นุ้คนปริพาทกภิกษุสิ่งพวกนี้สงเข้า อ, อยู่ในพวกสมณะแตกปางกระพร้ามเด็ดขาดเขาไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รวมพระนักจกรพรามคนนี้ไม่รวมพนักจกระพรามเพราะนั้นเมื่อพระุทองค์ปฏิเสธฐานะาเวทวคือไม่ยอมรับอิทธิพลขอทวที่พรามเปี่เรียกที่เรีว่าสมณะโคตโมเรียกถ้าหากวา่าพุทธเรียกศาสดาของเราแล้ว เราจะมาเรกพระองค์ว่สมณโคตโมท่าพุกคนไนเรียกพรอง์ว่าสมณโคตโมแปลว่าผูนั้นไม่นับถือพุทธเจ้าไปตีเสมอพระองค์แล้วเราเรียกพระองค์ในคำว่าพระขาวาพระวาพระผู้มีภาคเรียกเรียกสภานพระองค์พระขาวาทั้งนั้นหรือมหามูนีมหามูนีในมหามูนีพระมูนีผู้ใหญ่เป็นสนามเรียกพระพุทธเจ้านะแต่คูาที่ไม่ในไม่ในนั้ถพุทธน่ะเรียกว่าสมณะโคตโมถ้าสมณโคดมเรียกอย่างนี้เพราะว่าพจะพุทธนาเนี่ยอยู่ในผู้สมณะ ข้าวี้เมื่อพะพุทธเจ้าอุบัติคืออาศัยบุ ค, คลิกลักษณะของพระองค์อย่างใหญ่หลวงทีเดียวที่สามารถชนะจิตใจประชาชนในครั้งนั้นนอกจากคำสั่งสอนของพุทธศาสนาซึ่งมีลักษณะพิเศษเป็นที่ชอบอกชอบใจของบรรดา น, นักปราในครั้งนั้นแล้วบุ ค, คลิกของพระุทเจ้าเนี่ยผมว่าเป็นส่วนดนบรดาลใจอย่างใหญ่หลวงที่ทาให้พวกรามหรือพวกประชาชน รวมทั้งถูกพระราชาต่างๆในครั้งนั้นน่ะกับใจมาเป็นชาวพุทธด่เพราะอะไรถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าธรรมดาคนเรานะ่ะเราเอากันง่ายๆนะครับไม่ต้องไปถึงขนาดบุคคลอย่างพระพุทธองค์หรอกเอาการง่ายๆว่าสามัญชนอย่างพวกเรานี่นะ่ะคนแรกจะรักจะไข่กันต่อเห็นลูกโขนกันก่อนใช่ไหมตาเห็นลูกก่อนเราจะรักจะไข่กันจะไม่จัต ก, จกจต่อตาเห็นลูกก่อน พอตายให้รู้เอ๊ะคนนี้ท่าทางเข้าทีเส้นที่เขาออเข้าใจหรือท่าทางหน้าเลื่อมสายเส้นที่ประจิตใจเราจึงขนขวาอยากจะรู้จักขนขวาอยากเข้าหาหลังจากการเข้าหาแล้วการสฆษณาปาสายจึงมีขึ้นหลังจากก า, า, ารโฆนณาตลาสายกันมีขึ้นแล้วควาเรเลื่อมสายในปฏิปทาจึงตามมาเป็นดาดับอันนี้ฉันใดบุคลิกลักษณะคนรู้ p ย r s o n a l i t y นี่นะครับสําคัญอย่างยิ่งคนจะเราทาาเป็นนักเผยแพร่อย่างถ้าคุณเจ้าทั้งหลายเนี่ย ซึ่งกำลังจะรับการอบรมเพื่อจะไปทำงานธรรมทูตเนี่ยกามสร้างเคงาษาดิจิตีสุบคลิกภิทาเนี่ยเป็นของจำเป็นอย่างยวดยิ่งนะครับเราสมสมติเราขึ้นไปบนธรร ม, มเทพเราเทศโดยที่เรียกว่าเทพไปก็กขึ้นหลับขึ้นตื่นอยนี้แต่คนเทพเองยังป็นจะขึ้นหลับขึ้นตื่นแล้วคนฟังจะแค่ไหนอ น, นี้แต่ว่าเราเสียโฆษณาดิจิตีแล้วใช่ไหมครับเพรานะฉนั้นอ่ะไอ้การที่จะสร้างบุคคลิขศะนี่นะ่ะสำคัญมาก สำหรับพระเจ้าเลยนะท่านไม่ต้องเสียเวลามาสร้างบุคลิกลากษอของท่านเป็นเองเป็นอตาตุเบตคือเป็นเรื่อํานาจพวกกำลังมีที่พวกอมันเห็นมาตั้งเสียสงขายแสนมาหาศับดั์ปัญเพนเนทียนมาเลือ่อทีเดียวอานาจกำลมีเหล่านี้แหะเป็นสั่งสมอยู่ในขันธสันดานของพระองค์พราะเกิดในภาวสุดท้ายเป็นอตโตุเบตในตัวเสร็จไม่ต้องไปแซงไปดัดที่เรียกว่าดัดจริตไม่ต้องเป็นจริตเป็นปกติอิสัยของตัวเองออกมาเองะผมยกตัวอย่างขั้นแรกคือว่าเรื่องพรูดโสม พรุปโมนี่สำคัญมากนะพรุปโผนถ้าเาไป็รูปชั่วตัวดำหรือมีอะไรมีกลมีการอวัยวะผิดแปลกแตกต่างไปไม่ครบอาการเขางสอง้วเอมาเจอสาสดาที่อาการไม่เคยครบแล้วก็เราจะรู้สึกยังไงบ่มด้ยเกิดใช่ไหมเออผู้ที่เป็นสัตว์ละเองก็มีบ่มด้อยใช่ไหมคนลูกสิษย์จะมาฟังคำฟังเทศเองก็ักจเป็นยังไงอยู่อาจจะไปจอะไรก็ดีหมดเลยุแค่นิดเดียวตาเขไปบางหรือว่าฟันเยินังเออากที่ฟันเขยินนมันนอาทุกทีไม่ได้ยางนี้ไม่ได้ ข้อนี้พระเจ้าไม่มีศาสนาในค ร, รัรร้งุทธกาลน่ะมีบางคนน่ะลูกสิตไปฟังมีอาชีงวกอยู่คนหนึ่งมันเป็นปหาแก่นี่ดิแต่แกบุกท่องอย่างเดียวบุคลิกแกเสียอย่างเดียวบุคลิกแกคือฟังเขยืย้อนออกมารอกป่าเพราะฉะนั้นอ่ะใครไปเือหาแกก็ไปตำหนิแกหรือฟังเขยืย้อนเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ครับเวลาอาจารย์จะพูดนะพยายามใช้มีสปากมือไม่มันหนัหนกหนักน่อยได้นะก่ผมฟังเห็นฟังอาจารย์แล้ว ติด ใ, ใจมันยังไงไม่สบายแัจะไปซใจมันขยันองมามากแล้วเชิญพี่ปกติทนว่างั้นนี่เป็น ข, อขอน้ออีกแล้วข้อนึ่เนี่ยเจ้าแรกลีกเรื่องเขมนี่สำคัญมากคนเราจะรักจะเกลียดจะชอบจะฟังขั้งแรกเรต้องเห็นรูปกันก่อนใช่ไ้ยล่ะลูกสมบัติแรกมันก็เป็นเครื่องเสน่ห์เป็นเครื่องจนใจอ่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องดีว่ามีเรื่องเล่าใจจนใจเพให้มานติดให้มาให้มาให้มาชอบพอเพราคส่วนหนึ่งน่ะมัคคนเราน่ะเป็นพวกอเมริกากรมีคือพติดในรูปกรมี จะติดใครชอบใครแต่รูปดีแล้วก็ชอบอย่างนี้ก็มีติดไปเสียงก็มีติดในอากับดิ์ศก็มงพระรูปชมพรนะพุทธเจ้านั่นเกิดมางดงามพระพุธทธเจ้าท่านเป็นชายงามพวกนี้นาทํานเป็นชายงามความเป็นชายงามัมนะองมีขนาดไหนเราดูกันง่ายๆก็แล้วกันว่าแม้แต่เมื่อปรุงพระเทสสาแล้วคือเมื่อสเสด็จออกอภิเิษฐสกลุลมแล้วเป็นบรรลุเป็นพระอราหันต์ไปแล้ว มาคันธิยาควาย่าง์อุสา ว, วิ่งตามหาเพ้อจะยกลูกสาวให้ปรีๆใรื่อขบรอ่ะที่ทาไล่สาบเนี่ยมาคันธิยาพรายัเนี่ยมีสองคนมีลูกสาวแสวนจะสวยอ่าพายชาม้ากษัตริย์ใครๆมาขอก็ไม่ให้บอกว่าตายายสองคนจะเลี้ยลูกเขยด้งตัวเองนที่หาลูกเขยให้ถูกต้องกับนรลักษิทยาเพราะท่านนางเมียเนี่ยรู้จักตารานรลักษิทยาลุงมูแข็งเจงเพราะการลูกเขยลุงเขยถูกต้องกับงูแขที่ตัวลูก เลือกไปเลือกมาวันหนึ่งมาเจอพระพุทธเจ้าเขา ก, ขงกางทางดี อ, อกาบบการตะปูวเจอก่อนตะลีตะเหลือบอกให้ยับยั้งไว้ก่อนรีบไปบอกมั่ไม่ให้มาหาว่าจะยกศิษย์สาให้ตินี่ลายหนึ่งพระวาตรลี่เป็นผู้ชายแท้แต่ออกมือทอดหลงให้โผลพร ะ, พ, ระพุทธเจา้าวัตรีนะวัตรลีร่ทำผู้ชายแท้แต่ว่ายั ง, ลงหลงไหลในสระรูปโผมพระพุทธเจ้าเลยออกมือเพราะเหตุนี้แหละพอหมดแล้วไม่เป็นอันบังเพนสมณธรรมนั่งเทงคั่งโผลทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งค่าทุกนั่นแหละไม่เปอันเรียรยร้ยงร ก่งพระพุทธเจ้าต้องใช้อุาอบายขับไล่แล้วภายหลังก็ได้ผลุอรหันขึ้นมานี่เป็ตัวอย่างในงพระรูปโถมข้อหนึง่งนอกจากพระรูปโถมดีแล้ววงสกุลวงสกุลนี่สําคัญเมื่อในอินเดียในครั้งกันนั้นน่ะหาสามแดงผมจะเกิขึ้นอย่างไรผมจะเกิดขึ้นก็นว่าเมก่รขมเจ้ารถทั้งหลายจะไม่ยอมเข้าหาพรนะองค์เด็ดขาดแม้แต่เพียงเข้าใกล้ก็บอกเปนเรื่องจังไแล้วอย่าว่าจะเข้าหาเลย พวกจันทานพวกสุดต้องเข้าไปในเมืองต้องตีข้องรองป่าเพว่าขันมาไล่เจ้า่าจันทันมาแล่เจ้าข่าให้ให้สงความดีข่าใพวกพวกจันทเองก็ยอมรับคามต่ำต้ยของตัวนะจะไปได้ไหมต้องตีข้ององป่าเข้าไปในเมืองถ้าไม่ตีข้องล้องป่าพวกความไปสวนทางเข้าหรือขู่ความไม่รู้ไปถูกเรงต้องตัวเข้าหรือเอาไปทับถึงเอาให้ความเข้าถือจะจันทานต้องถูกกระชาพังตายนี่ วันหน้าทั้งคมในข้างนั้นอินเดียมีรุนแรงขนาดนี้เพื่อความสร้างขึ้นศาสนาความสร้างวันหน้าเหล่านี้ขึ้นรุนแรอย่างนี้อ่อความติดใจของเราไม่เกิดในวันหน้าตามเหล่านี้ ขึ้นศาสนาตั้งเมตงเด็ดเด็ดขาดเพราะพวกรามนีต้องไม่ยอมเข้าใ้ไม่ยอมฟังไม่ยอมรับองทั้งหมดแต่นี่ก็คปอพวกดีที่พระองค์ได้อุบัติในกุลกษัตริย์มหาสารขัติยามหาสารแล้วก็เป็นสกุลที่พวกวามก็ยอมก้มหัวให้ว่าบริสุทธิ์เจ็ดั่วโคตรทั้งฝ่ายระบิดาทั้งฝ่ายธมารดาไม่มี่องนางเลยยองเรียงไม่มงนางเลยบริสุทธิ์ั้วโคตรเกมาจากสุริยองอทิตยโคตอาิตยโคตนี่คืสุริยองวงกษัอียโาณให่ คือคือกันว่าเป็นองอ่าบริสุทธข้าสวสาิดามันดาคือสุริยวงศ์กระจันพรวงศ์วีรบุรุษอินทโบรรณะเช่วนว่าพระรามพระรามเป็นกษัตริย์ในจังพะวงศ์ปรากฏว่ากษัตริยของอโยธยาเป็นกษัตริย์ในจังพรวงศ์อ่าข้าพระราชาหรือข้าพระุตเป็นกษัตริย์ในสุริยวงศ์นี่พระพุทธเจ้าเกิดในสุริยวงศ์โคตมะโคตคือสุริยวงศ์โคตมะนี่แพระ่ า, าดก โคตรมากโคตรในหมายทุนพรอาทิตย์ก็ได้ไม่ใช่ไปไม่ใช่แปว่าเวงวงวนั้นไม่ใช่นะแต่ว่าเวงวงควายนั่สุดทีนะโคตมโคตรในที่นี้้องว่าเวงพระอาทิตย์โคตพระอาทิตย์ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หเจโคตรมาปว่างัวอย่างเดียวไม่ใช่พระอาทิตย์ขับแลว่าพระอาทิตย์โคตมโคตรเนี่ยอ่าแล้วนอกจากเป็นโคตมโคตรแล้วยังเป็นสักย่ากุลสักยกุลเนี่ยเป็นสกุลที่พามยอมยกให้แล้วเพราะฉะนั้นโขนนัท์พะพามโนนัาเยอายุตั้งร้อยกว่าล้วก็ปี พ อ, อลูกขาวพระพุทธเจ้าก็เด็ดมาประทับที่วัดใกล้ๆเมืองุระัะภานพระะเป็นมหาสารผู้ใหญ่กินเมืองอยู่เมืองนนาาาห น, น, น, น, น, นึ่งบรรดาประชาชนก็พากันไปฟังธรรมกันมากทั้งเท้าทั้งเย็นเห็นถือดอกไม้ถือเพียรบายหน้าประชิดๆพระิจารประทับราพระละทานพระแย้หน้าต่างดลเอ๊ผู้เขาไปไหนกันนะเนี่ยาหาลูกน้องลูกน้องก็อพระสมณโคดมมาอยู่เวลาไม่กําลังจะับใจ้าบ้านเป็นการใหญ่ทิ้งศาสนาไปเป็นทูดเป็นการญ่แล้วเวลานีย คุณท่านท่านท่าบอกเออเพลงนั้นเราก็จะต้องไปฟังไปหาโอกาสส ม, าามณนากับคุมธนาคดมบ้างเถอะคุณนาบอกยาวไปยาวไปท่านคุณท่านท่าท่านเป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่ล่วงการพันไว้ตั้งร้อยกว่าแล้วมหาพรามผู้ใหญ่ในคมววิตมีจังซีพรามตกกระสาตีพรามาอาพรามโซนีพามโตเถิย่าพราม เขายังยกยองท่านว่าทันโสรันภเนี่ยเป็นบรมครูเป็นอาจารย์เป็นปาจญ์ท่าโสรณทัภมีรูปนามมีเสียงเมันเสียงทมเหมือนเสียงมกระเวศมีดวงตางามมีวันณะฝุด่องแม่แก่ตั้งร้อยกว่าก็ดูประหนคนอายุเพียงสี่ห้าสิเท่านั้นเองวายสั้นความรู้ขอนโสรณทันทันภน่ะเรียนจดไกลเพศคอมทั้งอันคันคุ้นิหาสาแตฐานหมดเพราะฉะนั้นไม่ควรจะไปมานานจับสมณะโคดมซึ่งเด็กกว่าเยาววัยกว่าไม่ควรเลยค ท, นะท่าสมานสมณะโคโดมจะต้องเป็นฝ่ายมาหาทานสมนะณะันท่าท่าจะถูกสิว่าอย่างั้นรู้หมว่าท่านสมนะณะทันท่าต อ, ตองงบตอบว่างไงบอกท่านทั้งหลายเอาละถูกต้องที่ท่านทั้งหลายคุยย้มเคยข้าราชาว่าขา้าราชาดีอย่างน้นดีอย่างนี้มีคนสมดัิสูงอย่าง้นสงอย่างนี้ขา้ญญารเจ้าก็ยอมรับแต่ยังก่อนขอฟังคำของของข้าราชกาบ้างทาสมนาโคดมน่ะท่านทั้งหลายรู้มว่าวงส ก, กุลของท่านสมณโคโดมนะ่ะบริสุทธ์แค่ไหนเป็นสักยะวงเป็นโคตมะโคดบริสุทธ์ทั้ง ทั่วโคตั้งฝ่ายบิดาฝ่ายมารดาไม่มีอะไรร่วงแรงย่างหายเลยมีน้ำซ้ำรัศมีโคโดมยังเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือของกษัตริย์มหาราชหลายองค์ยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าพิาีสารพระเจ้าประเสริฐที่โคศนพระเจ้าอุเทนล้วนแต่ทาสามีกรรมอันเฉลียธรรมเวลาที่รัสมีโคดมมาพบ น, นอกจากนี้รัศมีโคโดมยังเป็นที่พึ่งของบรดาเทพยาดาและมนุษย์จำนวนอีกมากหลายมีพระรูปงามมีเสียงไยพเราะพัลนาพุทธคุณเป็นข้อข้อข้ออให้ฟัง กพราหฟังแล้วเออท้าทพระสุวรรณโคดมดีอย่างท่านอาจารย์ว่าจริงก็ควรอยู่รอกอย่าว่าแต่ว่าท่านมากก็ประทัพอยู่ที่นอกเมืองทานเมืองของเราแค่นี้เลยถึงพระองค์จะประทับใจแสนไใจแม้จะต้องเตรียมเสบียงกลางไปหาเราต้ควรเตรียมกันเพื่อจะเดินทางไปหาพาัลสุวโคดมนี่มาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อพวกพราพวกนี้ขับเข้าพารุตเจ้าแล้วพระเจ้าได้แสดงครรมจบแล้วด้วมาทันทะเลื่อมสายเต็งที่ในใจเป็นพุทเต็งที่แล้วเวลาเนี่ย แต่ว่าทิฏฐิมานะนี้ท็อแกแจเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ลูกศิษย์ลูกหาเยอะทั่วอินเดียธรรมดาเขาว่าทิฏฐิมานะของอาจารย์ย่อมรุ่นแรงยิ่งกว่าคนธรรมดาคนที่มีราศการะมีลูกศิษย์ลูกหาบริสัทธบริวารมากนี่ปับจะให้เปลี่ยนฐานะกลับมาเป็นลูกศิษย์ในหน้านอกจากคนคนนั้นเป็นกาลยานบุตรชนอย่างสูงหรือเป็นผูุ้ศลรักเหตุผลอย่างสูงหรือเป็นพระอริยะเจ้าแล้ววิสัยบุตรชนที่หนาไม่กิเลสยากที่จะลดทิฏฐิมานะของตัวได้ เพท่าน่าก็เหมือนกันมันใจรู้รอดเปเซ็นในพุทธศาสนาหนดีตัวเองก็พร้อมจะเป็นพุทธรอดเอซอยู่แล้วแต่จะห่วงอะไรล่ะห่วงยศห่วงลาบปราชาระว่าเออเราทุกวันนี้ก็มีความมั่งมีสีสุขไปไหนคนกราบคนไหว้ตลอนไปหมดเพราะว่าตาขุดขึ้นมาเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่เป็นที่สาปาโมกขุใหญ่ถ้าเขาเรู้ว่าเรามาเป็นลูกศิษย์พัฒนาโคโดมแล้วลาบไปจะหายไปเขาก็ไม่ให้ลาบเร า, าสิเขาเอาลาไปให้ใหคณะโคโดมมาสิอย่าเลยจาเป็นอยู่ ก็บอกว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าค่ะข่าพระองค์นั่นน่ะเริ่มสายแล้วทีพระองค์แสดงมานี่บริสุทธิ์ทั้งข่าบริสุทธิ์ทั้งพระยันชนะมีเหตุผลบริบูรณ์แล้วพระเจ้าค่ะแต่ว่าข่าพระองค์น่ะเป็นที่ปราบกวดกิจยศกระชอนไปผู้ชมพงทวีปแล้วว่าเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นน่ะข้าพระองค์ยากที่จะทําอันเฉลีกรรมสามีกิกรรมในพระองค์ได้แต่เอาเถอะถ้าพระองค์พบข่าพระองค์ในเวลาที่ข่าพระองค์นั่งรถเสวนทางน่ะข่าพระองค์จะุดล้มเนียอาการหกล้มให้พระองค์หมายว่าเข้าจะกราบพระองค์ ว่าอย่ า, างนี้ให้เป็นเล่หให้ผู้ิเจ้ารู่เป็นเลขว่าถ้าเจอสมณพัธนธ์ท่าถือล่มลงอยูส่สวนทางกับพุทธเจ้าแล้วสมณพนธ์สมณพัธนธ์ท่าพารมติดล่มให้พู้ิงเจ้า ร, า ร, ารู้ในพระไตรวาสมว่าสมณ พ, พันธะ์าพน่ะถวายบังคมดุษฎีเสียงเก่าแล้วว่างนี้ใหรู้อย่างนี้พูทหิเจ้าก็ไม่ว่าอะไรพระองค์ก็ไม่ว่าไ ม, ไม่จเป็นจะมาอามิสบูชากันแบบนี้หรอกไม่จาเป็นหรอกไม่ว่าอะไรนี่เป็นตัวอย่างข้อหนึ่งที่ล้มพใหดูว่าเรื่องบุคลิกน่ะมีความจำเป็นแค่ไหน บุคลิกใการเป็นนักเผยแผ่ตามศัลยลักษณะหองบุคลิ ก, กภาพเนี่ยเป็นของ จ, จําเป็นแค่ไหนพระพุทธเจ้าท่านแข็งแรงมากพูดไม่เหนือลูกเลยลู ก, ล, กลูกท่านดีเสียงท่านเพราะบนญกระตูลท่านสูงแล้วยังมีหน้ำซ้ำศาสนาปรัชญาต่างๆในครั้ง น, นั้นท่านเรียนจบหมดอันนี้สำคัญมากอาจจะมาค่มท่านเชิญความลู้ข่มท่านไม่ลงเอาแห่ไหนพระองครับเลยทัแห่เลยบางคนถูกปัญหาเป็นลูก คน่ขันกลับก่อนมาถามพระเจ้า ก, ก็ตอบไปเคน่ขันกลับก่อนเป็นนักสวีมาพราะองค์ก็ตอบไปสวีไปอเป็นนักเคลงมาพราะองค์ก็แต่งเพลงต่อไปทีต่ตาแต่งเพงต่อไปเลยใครจะว่าไม่แน่นะได้หมดทั้งนั้นนี่ข้อนี้ละ่ะพวกมรราลักศาสตร์ในครั้งนั้น่ะใครบ้างที่จะไม่พอใจเพราะฉะนั้นน่ะบรรดานักตัววาิีในครั้งนั้นจึงเป็นเจ้าพิธี บอกว่าเจอใครเจอท่าตานะยังมีทางรอด้บางยัมีับทางนี้พอมาเจอพระสมณะโดมันไม่มีทางรอบเลยว่าทางไม่มีทางรอจริงๆทีแรกก็ตีตีตีก้าหางแข็งคุยโมอวดวดดีในเมืองเวสาลีขจิกาในคนเป็นตัวอย่างบอกว่าโ้ก็ทั้งสาวสาวตกหวั่นไหวอย่าว่าโตกับมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจตัวเองจะไ่โตว่าทีก็สาวสาวยางหวั่นไหวเลยนะขจิกาในคนว่าอย่างนั้นนะบอลว่าหม ในายใ จ, จบอกเมื่อหลายจะเจอพระมะโค่นทันีนะถ้าเจอวันไหนเป็นเลว่ากันเห็นเห็ น, เ ห, น, เ, หนเห็นดาเห็นแดงกันเถอะมีคนนึ่งอะอีกคนหนึ่งทีชื่อว่าอ่าภาษาพิกาบุตอต่ภาษาพิก า, า, ากบุเนี่ ย, ยวิ้โมในเมภาษาลีแบบนี้นบอกว่าอยากนเน่เกมเยให้พสมะโคนมาขึ้นทางแล้วตัวนั้นเองจะไปขึ้นทางต่างคนต่างมาขึ้นทางแล้วมันจะเอ๋มาตวาสีกัน ต่อหน ality, device, ves, hey, question, producer, right. right, uh, ้าชาล่ะกำนันให้ประชาชนเห็นให้ประชาชนมินตี้ตัดสินว่าใครแน่จริงเวลานั้นมีเจ้าลิขวีตนึงที่พิมพมุขะฟังแล้วเกิดความหมั่นใส้ขึ้นมาบอกว่าแหมหมั่นไส้จริงนะคุณคุยคุยอวดอวดแบ่งอย่างนี้เอาละดีละบอกเอาเถอะไม่ต้องคุยละอาจารย์ วันไหนข้ า, าเขาตุ้าเสด็จมาที่เมือเวสาหรีแล้วผมจะมาบอกไอบอกแข่งของจากเอกแน่นะบางคนมามัดพดตีนข้งางเลยแน่นะโอเรื่องเล็กเือแค่นี้่ข้าพาเจ้าจะแสดงว่าทศิลป์าวาทประสาทสมานาโคดมเหมือนเด็กๆจับปูในสาร่แล้วก็ออกมาลากเล็กในนั้นหวัง คุยโมงนี่หรือเหมือนหนึ่งท้างสารเข้าไปนอนอยู่ในฝระโบครานีแล้วงวงจับการเบือฟาดฉะนั้นว่าอย่างนั้นมาเอาเธอให้ถึงวันเวลาก่อนเธอแล้วเราจะได้เห็นดำเห็แดงกันวันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสาวกทั้งหลายก็เสด็จมามลงเวสาลีมาประทับอยู่ที่สวน สีว่ากรรมวันออเขาโทษไปที่ว่ากรรมังครับอัมาอัาปาลีวันมาประทับที่อัมาปาลีวันเขาก็กระจายไปทั่วมาละตอนนี้ไ ด, ได้ได้เวลาแล้วอาจารย์อาจารย์สมมิกาได้เวลาแล้วเทินเถินเถินไปตัววัดสีได้แล้วอิตาสีเปวยคนนี้ก็บอกมามาเราจะไปต้นจงแตะมาที่เดิมอีลูกๆไปถึงแล้วนอนที่นอนหมดบอกมามาเราจะไปก็นจงนั่นแหละตั้งเจ็ครั้งนะ่ะเจ้าลิชูยเห็นเข้าก็เอออาจารย์เมื่อไรไปล่ะ ทำไมถึงามามาเราจะไปแล้วไอ้คนเนี่ยลุกขึ้นมาขึ้นจากที่นั่งเลยสักทีอย่างนี้ต้องฉุดข่ากันไปนี่นะฉุดต้องมาจากขี้เลยฉุดมาฉุดมาข้าวเปล่าแล้วก็เล่าความจริงว่าอิจะอาจอีเคอคนนี้เลย โอหังมาอยงไรก่อนหน้านี้คุณได้ฟังคุณจะบอกจริงเหรือจริงเหรือถ้าหาว่าเป็นจริงแล้วอะไรเราถึงทำสอนในตถาคตบุคข้อพราให้ว่ามาถ้าหาว่าใครๆที่ท่านว่ามายังไม่สมบูรณ์ตถาเขาจะเพิ่มไม่สมบูรณ์ถ้าว่ามาเป็นความจริงตถาเขาจะรับมาเป็นความจริงถ้าว่ามาไม่ไม่ถึงความจริงก็จะแก้ของขันแก้ผิดให้คุณได้คุณได้ตอบไปออกเผือตกนี่คนหนึ่ง อีกคนหนึ่งก็สัจการอีกคนสัจการอีกคนน่ะพอโตวาทีกับพระพุทธเจ้าแล้วแพ้แพ้ก็นิ่งขึงนิ่งขึงก็เหือหลายจากหน้าผ า, าเขาตกที่เขะหม่มตกจากเขะห่มก็มาตกที่เอวเขา ตัวเปียกหมดเกลือไหลเกือแต่ขึ้นไม่เกียจหมดแล้วก็บอกว่ า, <ป>าเจอทางฝ่ายยังมีทางหนีได้บ้างเจอว่สมณะครูมันทางเลยแพ้เลยยอมแล้วยอมแล้วแพ้แล้วนี่ลักษณะาการโตการโตว่าดีเพราะนั้นวิธีการโตนี่แหละเป็นเรื่องสําคัญครับเรานักเราเร า, เราจะเป็นนักธรรมทูนักเผยแผ่ต้องวางหลักการโตนีอยู่ในหลักพุทธศาสนาอย่างนี้ข้อที่หนึ่งที่คริสตจักรไฟนะข้อที่หนึ่ง วิพัฒพยากรณ์วการตวที่หนึ่งวิพัฒนพยากรการตอบปัญหาด้วยวิธีจำแนกประเด็นของปัญหาเรียวิพัฒชาพยากรข้อหนึ่งหนึ่งวิพัชนาพยากรคือการจำแนกในการตอบปัญหา 2. องเอตังสาพยากรการตอบปัญหาด้วยการยืมตะไสข้ขาเดียวด้วยกวเอตังสาพยากรณ์เอตังสาพยากรข้อที่สอง ข้อที่สามปฏิบุติ้าพยากรคือตอกกลับเอาปัญหาที่ก็ตั้งถามเนี่อตอกกลับคนถามเรียว่าปฏิบุติ้าพยากรคือการตอกเวื่องที่อกกลับข้อที่สามข้อที่สี่ทำปฏิยาพยากรคือยกเลิกไม่ตอกเพราะปัญหานั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งประโยชน์แห่งความสิ้นทุกโดยชอบ เป็นปัญหาที่ตั้งขึ้นเพื่อจะชวนะทะเลาะชวนวิวาทชวนแตกสมัครีอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์ไม่ตรงตอบพระพุทองค์ใช้วิธีการตอบปัญหาแก่พวกสมรณาครามผู้เจ้าหน้าที่ในครั้งนั้นด้วยวิธีสี่ประาการผมจะยกตัวอย่างข้อแรกวิพัฒนาพยากรณ์เป็นอย่างไรบ้างลักษณะวิพัฒนาพยากรณ์ตั้งต้องมาอย่างนี้กกยกตัวอย่างเช่นในครต่างปัญหาบอกว่าคนเราตายแล้วต้องเกิดใหม่ไม่เจ้าคขาถามอย่างนี้เราเป็นนักเผยแผ่ออกไปแล้วก็จะบอกคุณโยมเดี๋ยวก่อน ที่คนคําว่าคนเราตายแล้วต้องเกิดใหม่หรือไม่เนี่น่ะคุณโยมหมายถึงคนประเภทไหนล่ะนะคนมีหลายประเภทถ้าคนที่สิ้นอาสวะกิเลตแล้วตายแล้วชาติทบก็เหมือนอีกตายแล้วไม่เกิดอีกแต่คนที่ยังมีอาสวะกิเลสหนกดองอยู่ในจิตใจยังมีสิเลสตัณหาอยู่ตายแล้วก็าต้องไปเกิดตามอำนาจของอุนนงณศุลกรรมอคุณศุลกามที่ทาไปต้องจาแนกอย่างนี้นี่ตัววิาวชาช่างพยากรณ์ออบอกโดยจำแน นี่ต้องตอบเลยจำแนกแล้วก็ไม่บอกว่าคนเราตายแล้วไม่เกิดเพลิดเราบอกคนเราตายแล้วเกิดก็ผิดเพลิดนอดเขาว่าคำว่คนนี่นี่ยเป็นคำกว้างกว้างคนจะเภทอะไรถ้าคนเป็นอร า, ารัมตะบุคคลตายแล้วก็ไม่เกิดเิถ้ามันเปอร า, ารัมตะบุคคลตายแล้วก็ต้องเกิดเิเพราะยังสร้า ง, งการรมอยู่ก็ต้องไปรับผลของกรรมสินี่แล้วแต่กุศละกรรมกุศลกรรมที่ทำไปตามทิฐาธรรมมุติที่ชอบที่ไม่ชอบอันสมควรเกิดผลกรรมของตัวอย่างนี้เป็น วิพัฒทรัพยากรแท้ออันดับข้่สองคือว่าเอกังทรัพยากรยิงกระต่ายขาเดียวคืออย่างไรเขาตั้งปัญหาถามอย่างนี้ยกตัวอย่างว่าพาระหตาแล้วต้องเสด็จไหมเราตอบฝางเลยบอกไม่เกิดเด็กขาไม่ต้องจาแนงอีกแล้วถ้าเราตั้งปัญหาบอกมีติคนตายแล้วเกิด็จไหมแน่นอนต้องเกิดอีกอเกกนี่ยนี้เรียกว่าเอกังทรัพยากรยิงกระต่ายขาเดียว เพราะว่าปัญหาที่เขาถามนี่ไม่มีทังดินได้อีกแล้วเขาที่เฉพาะตัวว่าอารหารกัด บ, บิทรชนนี่คำเต็มจัดกวางา ก, ก็มีอยู่จํากัดประเทศุิครเนก็มีเลยเราก็ตอบํำปั้นทุกดินได้เลยอบอกว่าก็ดจะไม่เกิด่งนี้นี่จะนักษณะเอกลางสาพยากรที่จ ะ, จะตอบชาวบ้านเขาฟังเวลาเกาถามปัญหาถามอ่าลักษณะที่เป็นปิสุดท้ายากร น, น่ะยกตัวอย่างทีคาคณปริพาชกธนคาคณะปริพาชก ที่างปัญหาถาพระพุทธเจ้าที่ทำสุกร์ะขาตา่าที่คณะัปริพายโคนี่เปน็นลุงนะภาษาลีบุตรนะภาษาลีบุตรออกบวชแล้วเลยอยางเอาน้องชายบวชเอาหลานชายบวชแม่ลงุงไม่ชอบใจเลยลุงเป็นอเาเจลกะทีเปือพระพุทธเจ้เป็นทีเปือไว้เล็กยาไว้ผมยาวนุ่งห่มงนุ่งนุ่งหลผ ม, ม, ม, ม้าเอาขี้ขี้เ้าาตัวเวลานี้ในอิเนเดียยังมีอยู่เะยพกีเปยพวกนี้อาอเจลกะนี่ก็ไม่พอใจเนพระพุทธองค์ตั้งมั่นหมายในใจบอกว่าต้องมาเล่นงานพระพุทธเจ้าให้ได้ ต้องตั้งปัญหาที่าาทำาห้พระเจ้าวิ่งไม่หลุดได้จะหกลา้างให้พระเจ้าได้วาปะรู้ว่าพราะองค์ประทับที่ถ้ำสุระสุรสรกระคาตาที่พวกเขาที่จะโกรธเวลา น, นี้ท้านี้ก็โดนอยู่ในพวกเขาที่จะโกรธท่านท้หลายเคยไปไหว้พระที่อินเดียแล้วขึ้นไปบนพวกเขาที่จะโกรธแล้วทาไปไปดูถ้ำเจ้าเจ้ถ้ำนี้สุกราคาตาไปอยู่ที่นั่นต้องจัแจงไปหาพระเจ้ทาที่ถ้ำสุ ร, ระขาตาตั้งปาาัญหาบอกถ้าแต่พระโคโดม ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่สมควรแก่ข้าพเจ้าหมดแม้ปัญหาเขาเียตอบยากนะมันจะตอบยังไงถ้าเราเป็นพระพุทจ้าจะตอบตอบอีกาตอบปูเรตุนี่ตอบยังไงแกบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่สมควรนแก้าพรเจ้าตอบมาแล้วออกมาแกว่าไม่สมควรแกพระพุเจ้าก็บอกว่าอ่าดีละอาเจรตะถ้าอย่างนั้นแล้วคเห็นงแกที่ไม่สมควรนะแกก็ไม่สมควรแกด้วยเหมือนกันพอไอ้ต่อเหนขอแกที่บอกว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่สมควรแต่ตัวแกนี่นะเป็นอันเดีลวใ เพาะงั้นก็แค่นั้นนี่อก็ต้องไปสมควรในกลับตัวแกเองด้วยแกเองก็ต้องรับที่นี่ไปไอ้เจ้าให้นี้ของแกอันนี้ด้วยพระเจ้าใช้วิธีสอบกลับอย่างนี้เรียกว่าปฏิบูชอาพยากรเอาปัญหาที่ก็ตาถามเนี่ยสอบกลับก็ไปอีกเล่นเอาไอ้เจริกับคนนั้นนี่เอออาปาไปออกเลยพอที่ไอ้ทีแม่พระเจ้านี้ปีชายาเหลือเกินละเรื่มงสาย เกิดนวามลืมทันในปริพายาว่าทำไมถึงปริพายานมาจนนึกว่านึกว่าเจะาให้อยู่มัดใชแล้วนะนี่เฮียองซ่าหาทางออกเล่งเอาจอดหรือยูงยุงจนนึงจนได้ยอมแพ้พายลังออกบวดเป็นห้าอานหันอาจารย์กาตนี้ลุงภาษาลีบุตเป็นลุงภาษาลีบุตอ่านี่นละครับวิธีที่จะเอาปหาที่ก็ตั้งามีตอบกลับเข้าไปตอบกลับเข้าไปอย่างในปัจจุบันเนี่ยคนมีได้อันมากข้อถานี้ถามแบบว่าพีเทวากับีนีจินไหมถ้าไม่ เขาไม่เห็นล่ะเฮ้ก็ทอดข้่างเนี่ยแล้วก็ตัง้งคำถามง่ายๆบอกว่าอย่าว่าแต่เทวดาที่ผีที่แกมองไม่เห็นเลยน ะ, ะไ อ, อ้ภาพตัวการกระทำรู้ตัวแกเวลานี้เนี่ยตัวแกก็มองไม่เห็นคือธรรมวิทยาศาสต ร, ร์นะได้พิสูจ<ด><ห>น์ให้เห็นว่าพลังงานทั้งหลายในตัวเราเนี่ยรีแอคั่นที่ปารากฏเป็นปฏิกิริยาในการกระทำเราไม่ว่าจะเคลื่อนไหวจะพูดจะเดินจะนั่งจะนอนทุกอิริยาบถไม่ได้สูญหายไปจากโลก เป็นพลังงานหมดอยู่ในบรรยากาศเป็นพลังงานหมดแม้ตัวจะออกไปแล้วนะ<ม>ยังประทับรอยลูกวิญญาบทต่างๆอยู่ในที่นี้ยังผมเวลาที่ผมพูดที่นี่<ม>พอผมพูดจบผมกลับไปแล้วนะฮะาอาจารยผมสแสดงอาจารที่ผมพูดเจ้าอยู่ตรงนี้ไม่ได้หายไปไหน<ม>แต่ว่าคลื่นแสงอะความเดินเร็วของแสงเนี่ยวิ<ม><ม>นาทีหนึ่งตั้งหลายล้านหลายล้านหลายล้าน ไม่มันก็ห่างไกลไปเรื่อยห่างไกลไปเรื่อยหาย่ยหางกลไปเรื่อยจากพวกเราถ้าเราสามารถมีเครื่องโทนแสงได้ก็าสามารถจะไปพาพวกนี้มาฉายเป็นหนังให้เราดูที่อเมริกาเขทดลองแล้วในอู่รถเดินแห่งหนึ่งในอู่รถเดินแห่งหนึ่งเขาทดลองอย่างนี้รถเดินมาจอดสี่คันแล้วก็ให้รถเดนเนี่ยขึ้นออกจากอู่นั้นหลังจากรถเดินขึ้นออกจากอู่นั้นแล้วสามชั่วโมง ก็เอากล้องถ่ายรูปเครื่องเทนแสงมาจับสามารถถ่ายภาพยนต์สาคันสี่คันนั่นอยู่ในโอวบอดี้บูลหลังจากออกไปแล้วตองสี่ขโมนนะโอวมั็นโอวว่างๆแล้วไม่มีอะไรแล้วในตาเรื่องวมามองให็นโ่วว่างๆไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าหลังจากเขาเอาเครื่องเทนแสงมาจับเขาก็ถ่ายภาพยนตร์ถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายภาพภาพยนตร์สีคันนั่นสี่อยู่ในจออยู่ในสี่ล้างและแตากดลูกภาพยนต์อยู่สี่แต่เครื่องเทนแสงขึ้นนั้นน่ะ ถ้าไดนผลเทียนระยะสี่ชั่วโมงหลังจากไอ้วัตถุสิ่งนั้นหายไปแล้วเครื่องออกจากที่รสีชั่วโมงทำได้ไม่สามารถจะทําให้มันเพิ่มความเร็งยิ่งขึ้นกว่านั้นอ้าวิทยาศสตเจเร็วไปอีกสามารถมีผู้คิดค้นสร้างเครื่อทแสงให้เร็วยิ่งขึ้นกว่านั้นเราสามารถจับภาพของพระพุทธเจ้าได้หมดแม้กระทั่งภาพพระพุทเจ้าก็จับได้เอามาดูเลยว่าพาระทเจ้าทรงกระโถนยังไงเอามาดูได้หมดแม้กระทั่งเสียงก็ยังจับได้ยิพระพุทธเจ้าไม่ได้ถูนหายนะอยู่ในอวกาศ แปลว่าห่างจากโลกเราไปต่างหลายล้านไมล์แล้วเวลาเนี่ยรวมทั้งภาพที่แท้ริงยาวหมดรวมทั้งข้าศึก เ, เ, เสียงอยู่ในบรญยากาอวกาศหมดภาพปรวัิศาทตร์ต่างในอดีตเห็นหรือพระนเรศูรนั้นทนทางยูโหมดไมได้หายไปไหนขอให้เรามีเครื่องควนแสงเถะมีเครื่องค้นแสงอย่างอย่างที่มีพลังงานอย่างมาหาศาลสามารถควนแสงแล้วก็ติดตามไปถ่ายภาพเหลานั้นมาได้ก็ เราจะเห็นภาพต่างๆตั้งหลายพันตีมาแล้วเป็นภาพปัจจุบันเลยหมดอันนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่าป่วยใจเลยจะไปคูยถึีสางเทวดาอ่ะทาไมจะนมองไม่เห็นเลยอ่ไอ้ภาพที่เรานีเอ็กซั่นมีล่าเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเล ย, เ ร, ล เ, รย เ, เราออกไปนี่เรามองมองดูมีหรเปล่าไม่มีมีแจะห้องว่างๆมีอะมีอะไรแต่วันที่มันมีไม่ใช่ไม่มีเพราะว่าเราขาดเครื่องมือเราถึงจะไม่สามารถเห็นภาพเหล่านั้นถ้าเรามีเครื่องมือเราก็เห็น เหมือนกันถ้เราสร้างทิพยาจักสุขึ้นแล้วแล้วก็เห็นททเทพเทวดาผีสางป็นธรรมดาอันนี้เราก็เป็นลักษณะเรียกว่ามติประชาพยากรณ์เอาปัญหาที่เขาตั้งถามเนี่ยตอบกลับเขาไปตอบกลับเข้าไ ป, อ, อ, าไปอันที่สี่ะปัญญพยากรคือการยกเลิกไม่ตอบการยกเลิกไม่ตอบเนี่ยก็คือว่าปัญหาที่คูณถามตั้งประเด็นเป็นแบบควรทะเลวิวาสไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปัญหาของบัณฑิต ไม่ใช่ตั้งคือจะต้องการแสวงหาความรู้จริงๆอย่างกับพ ร, ระมหากษัตริย์พยายามมีรินเห็นไหมก่อนจะเกิดการเต้ตวาพีกันขึ้นพระมากษัตริย์ต้องให้พยามีรินอะทำสัญญาก่อนว่ามห า, าราชเราจะพันากันอย่างราชวาระหรือบริตวาระ เขาจะสู้ขึ้นมาจะเลื่นราชวาร์ผ้าล่างจะมาไม่สู้หรอกเพราะว่าพราหมาล่ะแพ่แล้วก็เอาอันาจหมาหมาจะจับมาคงอย่างนี้ใครจะเอาแต่ทม่ว่ามวยแพ้แต่คุณไม่แพ้ย่้ใคจะขครจะเล่นด้วยไม่เอาถ้าว่าส้าชนะง่ายดบัณฑิตตวาราแล้วก็เอ า, า, าสิพยามัาาาเนเล่นหรอก้็พระเจ้ า, าเอาสิเราตาาืขึ้นมาก็เลยบัณฑิตตวาราไม่ต้องคิดว่าพเจ้าพระเจ้าหนูเป็นพยาม้าหาับล็อกไม่ต้องคิดหรอกว่าขันตามลักษณะบัณฑิตอย่างนี้ขว า, าเนเกษเอาด้วย ในที่สุดพยายามดึงก็กลับใจมารับผิดชอบต่อศาสนาได้นี่เพราะฉะนั้นคนมี่ส้างปัญหาอันหนึ่งลักษณะมันจะเป็นบันดิตวารพาแล้วเราไม่ควรจะโฆษณาด้วยควนอย่างนั้นไม่ควรจะต่อความยาวสาวความยืดอย่างนั้นทุกตัวอย่างคิดปัญหาบอกว่าศาสน า, าคิดดีกว่าหรือศาสนาคิดดีกว่าสรางปัญหาเนี่ยยรารู้ว่าคนเ้ามันเป็นคิดเราก็ไม่ไม่หาทางชวนทะเลาะ น้าทางศัตรูเพราะว่าขืนขืนแบบใครดีกว่านักข้าประเดีท๋ทีไหนก็จะมาทฝ่าก็จะมาเราเป็นเราเขไปพูดคร<ม>าวนี้ทหาว่าต้อปัญหาในรูปนี้ลเพราะว่าศาสนาในโูกนี้ศาสนไหนจะดีกว่ากันดีกว่าแล้วจะตอบเขายัางไ<ม>ข้อนี้นะพระอานนท์เสดเจา้าตอบไปแล้ว<ม>เราเรียนแบบพระอานนท์ เป็นเป็นถูกต้องที่สุดพวกทามาถามท่านอนโดวะท่าต่ท่านอนท่านมาถามในชุมทวีตนี่มากลือเยิ้านอาายอยากรู้ว่ารับทีไหนดีที่สุดวัที่ไหนดีท่านอนตอบยังไงท่านอนบอกตามศาสนาใดก็ตามนัที่ใดก็ตามที่สอนธรรมะเป็นเหตุให้คนบรรพโลพระโภสะโมหะได้เป็นไปเมื่อการมีเบียดเบียนตนเองไม่เบียเบียนผู้อื่นศาสนานั้นนัที่นั้นก็เป็นศาสนาที่ดี บอกบอกกลางๆอางนี้ไม่ได้บอกว่าพุทธศาสนาดีที่สุดแล้วก็ไม่บอกว่าศาสนาไหนไดีบอกเป็นการลางให้ตัตสินแล้วถามก็ถาามนี้ก็รู้ไปเองรู้เองว่าศาสนาไหนบ้างที่สอนให้ละโลพระโทสะโมหะศ า, นาสานานั้นก็คือสัาสนาุทธดยแล้วไม่ต้องบอกว่าเอาคําพุทธพุพธะเข้ามาถ้าอ น, นุท่นตอบอย่างเดืยวไม่ช้าน้ำไม่ขุนตอบตามหลักของเหตุผลไม่ยกตนขอท่านศาสนาเราเขาเรียนแบบ ถ้าอนนลมาตอบได้พี่สิงแต่เราก็ต้องระวังว่าคนตั้งปัญหานี่ยเป็นคนที่มาโจรทะเลาะหรือเปล่าเป็นคนมีเบื้องหลังที่ต้องการจะมาอักขานหรือเปล่าถ้าต้องการมาสดมหน้าคาวามจริงๆแล้วเราก็ไม่แคร์ตอบตามเนื้อผ้ามาเปรียบเอาสถานะมาเปรียบเทียบก็ได้ยินดีเสมอมาเปรเียบเทียบกันเราเรากเราตอบตามเนื้อผ้ายกตัวอย่างที่ว่าจะว่าําเนื้อผ้าเนี่ยที่ว่าประวัติเขาเป็นตึกเจ้าเราไม่มีเงินดอยเรามีศาสร์ก็ด้ที่เราไม่ไม่มีเงินดอยเราคิดใจ แต่ว่าที่ประวัติพระเยซูเนี่ยมีต้ได้เหลือเกินที่แม้แต่สามสิบคนในศาสนา น, นั้นเองก็อดที่จะต้องหาทางติด บ, บังเพื่อครูบางอาจารย์ตัวไม่ให้มัวหมองไม่ได้คือต้มด้อยตังแต่เรื่องชาติที่กาเนิดแล้วครับตั้งแต่เรื่องมาบิดาบังเกิดเจ้ามารดาบังเกิดเจ้าวแล้วว่านางมาเรีอาที่ให้กำเนิดเยซูเนี่ย เมื่อไม่ได้อยู่กินกับโยเมฟซึ่งเป็นพ่อพระเยตัวทําไมถึงสั่งคันขึ้นอันนี้แหละครับเป็นปมจุดด่างในชีวิตชาติกําเนิดของเยซูอย่างมหาศาลแล้วก็ที่ตั้งคันขึ้นก็อ้างว่าเป็นพ่อพระเจ้าทั้งนั้นพระเจ้าก็มาเป็นคู่กนางมนุษย์สิอแล้วกันมันมนุษย์เนี่ยพระเจ้าสร้างตามหลักศาสนาขึ้นมาแล้วอยู่ๆพระเจ้ามาเป็นผู่นางมารีพระเจ้ามาเป็นคู่นางมนุษย์มาเป็นคู่คู่มนุษย์ที่พระองค์สร้งขึ้นมาโทรมาเรื่องอะไรกันแล่วทังมาเป็นคู่กนางมนุษย์เนี่ยเรื่อะไรนี่นะคร มีเป็นได้คืจุดต่างในเรื่องชาติกำเนิดเราแค่แค่นี้ก็พออย่าไปเปรียบเทียบคำสอนให้คำสอนเลยเปรียบเทียบกันแค่าชาติกำเนิดก็พอแล้วก็แย่แล้วเนี่ยโตในแบบนี้ก็แย่แล้วเป็นเรื่องที่ต้องปิดบงังช่วยกันปิดบอะไรพ้นได้ในนี้แล้วแต่สำหรับพุทธสวัติแล้วเราไม่มีอะไรพ้นไม่ให้ต้องมาปิดบงังสมะวังที่สางสดาราวเปิดเผยตั้งสี่แก่นสี่รับมันมีใครจะมาช่วยปิดบังในนี้ ก็มาพุทการนีมีมีตริพาโชคอยู่คนหนึ่งอาจารย์ส่งมาเป็นแนวห้าสายลักค่อยมาตรวจสอบอีก ต, ตามพระุทธเจาที่เจ็ดปีนะจะมาจาาับพระพุทธเจ้าแล้วอาจารย์ส่งมารงมาทาุกขพระดาและมนันมุกทุกขหลายอันนี้เนะี่ยมีพามมาตั้งปัญหาบอกว่าข้าแต่พระโภดมใครเล่ า, าที่เป็นผู้สิทธิประเสริฐที่สุดในโลกถามพุเจ้าอย่างนี้พระุทธเจ้าก็ตอบ ต, บตอบอย่างนี้ว่าวิชาจรณะซัมปันโนโซเซโทเโทเวมานุเสผู้สี่ถึงพร้อมเนี่ยความรู้และความประพฤติผู่นั้นและ เป็นผู้ทิ่กระเสือที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวิชาคือวิชาสามจรณะในที่นี้คือจรณะศิชาท่านแต่แม่ขวางนั้นผู้ใดง่ายว่ามีความรู้อยู่อย่างไรสามารถปฏิบัติไปตามความรู้ของตัวได้ไม่ใช่เป็นแบบคือว่าดู S I C หรือ S I D คือว่าอาทําตามอย่างที่ฉันพูดแต่อย่าทำตามอย่างที่ท ฉ, ททฉันทําแบบนี้ใช่ไม่ได้พระพระเจ้าเนะ่ยท่านใช้หลักตัดสินคนในวิธีนี้ว่าต่อพูดแต่แล้วแทําได้จริงอย่างพูดไหม ถ่าพูดได้สอนเขาได้และตัวเองทาได้ตามอย่างที่มันเป็นระโยชน์ที่สุดที่งกว่าโชว์ดารามนุษย์ไม่ใช่ประโยชน์เพราะเงนสกินไม่ใช่ประโยชนเพราะความรู้อย่างเดียวต้องความกระพฤชิด้วยถึงพระเจ้าตัดสินคนในวิธีนี้เนี่ยเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนั้ น, เ, น, นเมื่อมีคนสร้างปัญหาอย่างนี้กับพระพุทธองค์ในเรื่องอย่างนี้แล้วก็ทรงใช้วิธีการอย่างนี้เน่ะแบบนี้น่ะตัดสินโดยที่ว่าไม่ใช่ตัดสินคนด้วย คุณสมัตอย่างอื่นแต่คุณสมบัติในวิชาจรณยาธัรมปนนนี้พิจิตรคุณข้อนี้แหละครับเป็นเหตุให้เผลปริทายชกผูกรามคณะเลยไม่แน่ใจว่าเอคนเรานะ่ยบางครั้งอาจจะแด ง, งขึ้นคัดต่อหน้าประชาชนนะแต่พอรับหลังเป็น ต, ตัวเองอาจจะเป็นคนระบีกก็ได้นะคนเราเนี่ยอยากอยากกันนั้นเลยจําเราจะต้นตรงแนวห้าคอยไปติดตามความประพฤตสมณโคดมดมูซิ ย่าทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับนะ่ะจะเป็นอะไเดียวกันหรือเ่อส่งแมวห้ามาคนหนึ่งแมวห้าคนนี้ก็มามาแก้งทำนองวาเรื่องสายพุทธศาสนาแล้วก็มาเบวชเจ็นพิสุมาเป็นอุปถาพุทธจ้าใกล้ิลเป็นตามภระสาสดายอยู่ถึงเจ็ดปีเจ็ดเบือนเจดวัน ติดตามทั้งในที่แจ้งที่รับเวลากลางคืนตรงพระบนันทมและในทันตะกูดีอิตาเนล่ค่าคุนี้ตีหน้าต่างดูเป็น ห, หน้าต่างดูว่าเมื่อรับแล้วอาจะมีอาการกิริยาอิริยาบทอย่างไรจะนอนหลับอย่างคนมีราค้าหรือไม่มีลาข้านอนหลับอย่างคนมีโทสะหรือคนไม่มีโทสะนอนหลับอย่างคนมีโมหะหรือไม่มีโมหะเพราะคนเรานะ่ะถ้าคนราค้าจริตลักษณะการนอนอย่างหนึ่งถ้าคนโมหจะจริตลักษณะการนอนอย่างหนึ่งคนโทสะจะริตลักษณะการนอนอ่ะอย่างหนึ่งไม่เหมือนกัน แต่สำหรัการนอนของพระพิฆณเจ้านั้นเน่ยเป็นปาสีขาวใสยาดอย่างแบบพรา น, นอนที่เราเห็นแต่เาไม่ใช่ตะชันขาดชันข้อศอกอย่างนี้นะอย่างนี้นอนไม่สบายเลยนอนแบบนี้เปล่าไม่จําเป็นนะเปล่าก็จะใ ย, ย่าดจะต้องถูข้อศอกขึ้นมาแล้วก็เอาผ้าหัดหมุกเสร็จมาอย่างนี้มันจําเป็นนอนแบนลบลำบกาก็ได้แต่เขาว่านอนในอิรยาบทไหนก็ในอริยาบทนั้นตลอดคืนอย่างนี้กระทั่งฝื่นมันเห็น ไมนมีการพลิกซ้ายพลิกขวาไม่มีไม่มีการนอนคว่ำนอนหงายที่กซ้ายหรื่องวอาแข่งขาเด็กข้าไม่มีหรือเขี้ยวสักจับจับเขี้ยวฟันกับจับน้ำลายหลเยอดไม่มีไม่มีเลยอย่างนี้เป็นคนนอนเด็ประมาทไม่มีสเต็เป็นคนนอนได้กันฮาร์เกรถึงนอนอนี่ยคนเราบูติคนนอนแบบนี้ไม่ไม่ว่าใครแล้วแหละแต่บูคิชนก็นอนในแบบนี้แค่นั้นแหละนะอแต่ว่าต้อง ทุกทีหมดหมดจ้ะหมดวาสนาแล้วไม่ไม่มีวาสน า, ลาเลยพาลหันนี่ยัละวาสนาไม่ได้ยังมีเลยนอนอยาอิเดียบทที่ท่านเคยชินอ่ะยังมีนะท่านเคยชินแต่จูเลชาเอกลมามันจะเกิดจากีเลสหลอกเป็นเ่วาสนาที่ละไม่ขาดแต่สําหรับศัพทสมมาสมุสทาจาุคนแล้ววาสนาที่ละขาดแล้วไม่มีนอนอย่างไงก็อิอรดียบทั้ทงท่านที่นอนไม่ยับยื้อไม่ยับเยินเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วในรูปูชาปลายของกลางคนหนึ่ง พุโตงเสด็จมาแรมคืนคืนหนึ่งแล้วรุ่งเช้าเสด็จออกไปดนสบายมาคันธยะริพายกตอนเช้าตืงมามอนิ่งบอกเรียกว่าช่าเข้าวิหารเจ้าวิหารนี่อหมอนิ่งบอกเขาช้าพวกมณะาในคังนั้นออกมาชัางเวิหารนั่นอิตามาคันยะแกก็มีอาสนอยู่ใกล้ๆแกก็ออกมามอนิ่งอกชางเข้าวิหารเดินไปเดินมาก็แวะมาอยู่ที่โรงบูชาพิพากษ์คนนี้มองไปมองมามองสิกองฟางนี่เป็นเลยนอนนี่นะกองฟางเนี่ย แตาทำไมร่อนี่จู่ลาบเปรียดเหลือเกินไม่รู้นอนยังไงก็อย่างนั้นต้นฟางก็ไม่อยู่ดีไม่ยัดเยินนะ <_ EN> ใครหนอที่นอนเด็วเติก็ไม้คันยะอย่างยิ่งน่ะคนนั้นเป็นใครหนอถ้าจะเลื่มสายก็ถามถามเจ้าของลงชาวายว่าใครกันถามที่มาอาศัยลงชาวไปทัางหลาคืน น, น่ะทามว่าอ๋อเมื่อคืนนี้เขาสมณะโครูะสเสด็จมาที่นี่มาพักแรนที่นี่ <_ EN> บอกอย่างนี้มาคันยะปริทายท็กถึงรูร้อ่ะเขาเลยจ่ามาประทับนอนที่นี่นี่เป็นการแสดงเห็นว่า การนอนหลับอย่างแบบพระเจ้านอนหลับอย่างไรอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นแนวห 5, 5, ้าที่พวบริชายพวกคนมาเคยเขาต้องฝึกลานอนด้วยที่จาอนอนแบบไหนตีหน้าต่างดูก็แล้วเทา้าด่างติดติดมีเจาะช่องมองก็แล้วจะจับผู้อิรยาบหแหละออกครบเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเข้าวันที่เจ็ดออกมาสารภาพกับพระเจ้าบอพระเจ้าค่ะเป็นบาปของข้าพระองอย่างยิ่งทีเดียวค้าพระองค์บวชติดเราไม่บริสุทธิ์ใจ ที่บวชมานี้ก็ บ, บวชเพื่อต้องการจับผิดพระองคว่าพระองค์ไหนจะเป็นพระองเองไหมอย่างไนที่แจ้งที่รักอันเดียวกันหรือเปล่าแต่มาบัดนี้เดบประจับแล้วว่าปฏิปทาของพระองคทั้งในที่แจ้งที่รักน่ะเหมือนกันหมดสมควรเป็นสัมมาสัมพุทธะสมควรเป็นโลกวีโตสมควรเป็นองค์พัควาสมควรจะเป็นที่ถึงชาของไกรโลก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าเองขอเป็นสาวกทั้งกายทั้งใจรินๆคุณเจ้าค่ะในวันนี้ผมจะขอทุกคนจะเวลาเพราะว่าจะว่าไปก็ยืดยาวต้องไว้ในอากาสหน้าวันพ้าหน้าม